ธรรมมาพิธุติธรรมยังธรรมมาพิธุติงการโรมเซยโยโซสวะค า, าตัวภะคาวตาธัมโอฬาธรรมนันไดเป็นสิ่งที่พระพู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิติโกะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึ่เห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปบปยิโกวเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมหั่ธทำมังอภิปูชยามีกงป้าพระเจ้าบูชายอย่างยิง จะพอะพระธรรมนานตามมหังธรรมังศิริสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนานด้วยเสียงกลาว